ข้อความในจริยาปดกต่อจากครั้งที่แล้วในมาขึ้นปัญหาที่6เนี่ยนะป็นการตั้งปัญหากรรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบา ร, รมีอย่างกว้างขวางและลึกซึง้งปัญหาข้อที่หนึ่งที่กล่าวไปแล้วก็คือบา ร, รมีคืออะไรบา ร, รมีก็คือบา ร, รมีสิบนั่นแหละบา ร, รมีก็คือคุณธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่เกิดจาก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 เพื่อที่จะช่วยหรือขนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัตรทุกข์ส่วนบารมีทั้งหมดมีสิบประการก็คือทานศีลเป็นต้นโดยย่อถ้าจำแนกอย่างละเอียดก็เป็นอุปปารมีสิบปรมัทธปารมีสิบ ร, ม ร, มบรวมเป็นบารมีสามสิบแต่ถ้ากระจายรายละเอียดจํานวนครั้งจํานวนพฤติกรรมที่กระทำออกไปก็มากมายส่วนลำดับของบารมีเนี่ยนะก็ยกทานเป็นอันดับที่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 บอกว่าอภินิหารเนี่ยต้องสมุทานธรรมะแปดประการคือการประชุมธรรมะแปดประการอย่างที่พระองค์ตรัสว่าอภินิหารคือมูลปณิธานหรือความปรารถนาย่อมสำเร็จเพราะธรรมะสมุทานคือการประชุมธรรมะแปดประการมนุษย์ตั้งเล็งคสัมปะเตเหตโสัธารัตฐานะปปชาคุณสัมปะเตอธิการุจฉันทตานีนะก็คือความเป็นมนุษย์ เรียกว่าคนที่จะตั้งความปรารถนาสำเร็จเนี่ยจะต้องอาศัยองค์ประชุมแปประการก่อนคือประชุมความเป็นมนุษย์เป็นเพศชายนะมีเหตุเห็นพระศ า, ศาสดาการบรรประชาคุณสมบัติอธิการและความพอใจซึ่งจะกล่าวโดยลำดับท่านเอกความปรารถนาหรือที่เรียกว่าอภินิหารอภินิหารเนี่ยเป็นอย่างไรอภินิหารก็คือการตั้งความปรารถนาหรือความตั้งใจอันแน่วแน่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 ไม่สําเร็จบันดอกก็ไม่สําเร็จกระเทยณปุงส ก, กะคนไม่มีเพศอุปโตพยัญชนกคนสองเพศบุคคลเหล่านี้ก็ตั้งความปรารถนาไม่สําเร็จเพราะเฮไรถามว่าเพราะเฮไรตอบว่าเพราะเหตุตามที่ได้กล่าวแลว้วเพราะไม่มีความบริบูรณ์แห่งลักษณะคือไม่มีมหาปริศลักษณะนะคนเพศอื่นๆเนี่ยไม่มีมหาปริศลักษณะผู้หญิงไม่มีมหาปริศลักษณะบรนดอเป็นต้นไม่มี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 ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนปรารถนาต้องตั้งอยู่ในเพศของนักบวชซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชเพราะบรรณชิตเท่านั้นเป็นพระมหาโพธิสัตว์ย่อมบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้แม้แต่ชาติสุดท้ายที่พระองค์จะบรรลุต้องบรรลุด้วยเพศของนักบวชไม่ใช่บรรลุด้วยเพศของคารวะเพราะฉะนั้นเวลาตั้งความปรารถนาควร ต, ตั้งตอนเพศเป็นนักบวชคือเป็นบนรรณชิตเงื่อนไขยเยอะเหลือเกินเนี่ยนะ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 เหมือนอะไรนะใครที่จะสมัครซสก็ต้องมีคุณสมบัติใช้จริงจะสมัครได้นี่ก็ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันมีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอภิญญาห้าสมาบัติแปดแล้วก็บรนประชิตเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็เอาโอเคใช้ได้ไม่ต้องมีคุณสมบัติคือสมาบัติ8ดและอภิญญาห้าใครที่ไม่มีคุณธรรมอย่างนี้หมดสิทธิ์นะกันหมดสิทธิ์ทำไมล่ะก็เพราะว่า ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติคืออภิญญาห้าสมาบัติ8ค้นคว้าบารมีไม่ได้ส่วนผู้ที่มีอภิญยาห้าสมาบัติ8สามารถคน้นคว้าพิจารณาตรวจตราบารมีได้พระมหาบุรบุษบำเพ็ญอภินิหารคือผู้ที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้สามารถค้นคว้าบารมีได้ด้วยตัวเอง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 อภิญญาห้าคือระลึกชาติได้เป็นต้นเนี่ยเป็นตัวช่วยให้คน้นคว้าพิจารณาบารมีทั้ง10ประการได้เนี่ยนะฉนั้นคุณสมบัติจึงสําคัญมากคุณสมบัติคืออภิญญาห้าสมาบัติ8ถ้าไม่มีคุณสมบัติก็ก็บอกอะไรนะต้องมีคุณสมบัติจึงกาเรียนเรียนวิชาว่าด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จถ้าไม่มีคุณสมบัติก็โอโรงเรียนแล้วไม่จบเหมือนกันอาจจะลงเยอะนะแต่ว่าไม่แทบไม่จบเหมือนกัน นี่ต่อไปอธิการที่สําคัญมากก็คือตัวที่มีอุปการะสําคัญมากก็ต้องมีอธิการอธิการนี่โดยศัพท์แปลว่าทํายิ่งทํามากทําแค่ไหนว่างั้นสละชีวิตว่างั้นผู้ใดถึงพร้อมด้วยคุณนะสมบัติเกลพิญญาหสมาบัติ8แล้วเนี่ยนะแม้ชีวิตของตนก็สละถวายแด่พระพุทธเจ้าได้ย่อมทําอุปการะอันยิ่งในกาละนั้นนะ สร้างเหตุพอที่จะให้ตั้งความปรารถนาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวิชานี่ต้องลงทุนด้วยชีวิตท่้งนั้นต้องสละชีวิตเป็นพุทธบูชาก่อนอา่หมายเพราะว่าตั้งใจสละแต่ตายไม่ตายไม่สําคัญแต่ว่าตั้งใจสละหรือว่าพลีชีพเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วสละชีวิตอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้ารผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจึงจะปรารถนาสาเร็จ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 ในการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้ามีใจรักในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่มีความเต็มอกเต็มใจที่จะเจริญคุณธรรมให้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่นะหมายว่าพอใจที่จะสร้างกุศลเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ารักในความเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่ามีฉันทะและฉันทะนี่ก็เรื่องมหาฉันทะหรือฉันทะใหญ่มากไม่ใช่ฉันทะเล็กๆน้อยๆเลยนะ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 คนที่คนที่ปรารถนาพอเพื่อให้ฟังอย่างนั้นก็บอกไม่มีความย่อท้อเพราะว่ามันทํายากไม่มีความรู้สึกว่าทํายากกลับพอใจว่าเรานี่แหละจะข้ามให้ถึงฝั่งได้เราจะควายน้ําข้ามจักรวาลได้เหมือนกันไม่แสดงอาการทําหน้าเบ้หน้าเสยียวก็คือหน้าเบ้เราฟังปั๊บป่านะไรนั่นคนก็เล่าว่าบอก แค่คิดเนี่ยผมก็จะป่วยแล้วเพราะว่ามันจะว่าไปทําเลยเหมือนั้นแค่คิดจะทํานี่ผมก็แย่แล้วเหมือนั้นไม่ต้องว่าไปถึงไปปฏิบัติไปทําอะไรรอกเหมือนกันเพราะว่าพูดถึงว่าผู้ใดสามารถข้ามห้องจักรวาล น, นี้ทั้งสิ้นอันมีน้ําท่วมนองเป็นอันเดียวกันน้ํนะาเนี่ยท่วมไปหมดเลยนะั่นแล้วต้องไหว้ด้วยกําลังแขนด้วยนะห้ามใช้เรือห้ามใช้อะไรทั้งนั้นไหว้ด้วยกําลังแขน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 ก็ถามว่าท่านไม่เสียอกเสียใจบ้างเลยหรือท่านไม่มีเรื่องไม่สบายใจเลยหรือท่านก่อน้ําตาท่วมนองเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าจะต้องสร้างบารมีทั้งน้ําตาน่องหน้านั่นแหละให้ทานทั้งน้ําตาน่องหน้ารักษาศีลทั้งน้ําตาน่องหน้าเจริญสมถาวิปัสสนาทั้งน้ําตาน่องหน้ามันก็ไ่า้น้ําข้ามน้ําตาของตัวเองเนี่ยนะสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะแต่ละชาติแต่ละชาติทั้งน้ําตามาสะสมมาเนี่ไม่ใช่น้อย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 อานะจะเสียเลือดเสียเนือ้อจะสละเลือดสละเนือ้อเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมทําได้หมดนะนไม่ต้องมาขู่ให้ยากว่างั้นนะนะสรุว่าโอ้ใจถึงขนาดนั้นแต่พูดถึง เ, เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบนี้นะเขาพามาไปกินเกลือก็ไปว่างั้นอ้าวก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดนั้นยังยังสละขนาดนั้นเลยเนี่ยนะอันนี้นี่ดีกว่านั้นทําไมไม่ทําอ่ะนะทำไมทําไม่ได้เนี่ยนะ ไปเห็นหหนีจากที่หนึ่งไปตายเอาดาบหน้าเขาก็ยังทำกันเลยในชะนี่ก็เหมือนการทำไมจะสละอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่สองต่อไปถ้ามีใครมาพูดให้ฟังว่าผู้ใดเยียบจั ก, กรวาล น, นี้ทั้งสิ้นจั ก, กรวาลที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงเป็นฐานล้นล้วนร้อนระอุแดงๆที่เต็มไปด้วยเพลวเพลิงเนี่ยนะหมายความว่าเป็นฐานที่ร้อนระอุเป็นสีสีไฟแต่ แต่ไม่มีไฟเปลวถ้ามีเปลวนะยังถือว่ายังไม่ร้อนถึงที่สุดถ้าร้อนถึงที่สุดเนี่ยมันจะเป็นแดงอย่างนั้นะถ้ายังลุกเปลวมีวาวาววขึ้นอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ร้อนถึงที่สุดถ้าร้อนถึงที่สุดเนี่ยมันระอุแล้วก็แดงเป็นสีทองเลยอย่างนั้นนั่นปราศจากควันนะนะเหยียบด้วยเท้าทั้งสอง้วยนะเท้าทั้งสองเนี่ยสามารถเดินลุยอ่ะนะเหยียบไปปั๊บเนี่ยพองระอุแทบจะละลายไปล้ น, นะ แล้วก็ก้าวเหยียบต่อไปเนี่ยเป็นคล้ายๆกับบรรณุอมตะใช่ไหมเหยียบยังเจ็บปวดยังเขาเรียกว่าเจ็บปวดเต็มที่เลย แ, ลแต่ก็ก้าวแต่และก้าวเหยียบอย่างนั้น่ะไปถ้าเดินข้ามจั ก, กรวาลที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงอย่างนี้ได้ถ้าทําได้อย่างนี้ก็ถ้ามีใจถึงเียดว่าใจถึงขนาดนี้ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จเขาฟังแล้วก็บอกไม่ย่อท้อพอใจใจรักเต็มที่บอกว่าเรานี่แหละจะก้าวข้ามไม่ดูว่างั้น ไม่ทําอาการหน้าเบ้หน้าซีอวีหน้าเบ้บีปากลุ้นตอนนั้นมีอกโอ้ยินดีทำเหมือนแต่ที่จริงเนี่ยถ้าฟังคําพูดนี้บอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยเถิดอะไรหรอกอุปมาอันนี้มันก็จริงถามว่าหนึ่งกลับเนี่ยนะหนึ่งกลับเนี่ยต้องเกิดเท่าไหร่หนึ่งกลับนะกระดูกเนี่ยนะกระดูกเฉยๆนะชาติที่มีกระดูกไอชาติที่ไม่มีกระดูกทิ้งไว้ ชาติที่มีกระดูกอย่างเดียวหนึ่งกับเนี่ยใหญ่เท่ากับเขาเวปุระมันบททีนี้ว่าอสงไข่เนี่ยมันตัวเลขเลขศูนยสี่สิบตัวเนี่ยนะจะถามว่ามันเท่าไหร่อแล้วแล้วสี่อสงไข่แสนกับ8ดอสงไข่แสนกับสิบอสงไข่แสนกับเนี่ยนะอันนั้นอนะ่ะคือชาาชาติชาราและมรณะไฟคือชาติชารามรณะเผาตลอดเวลา ทีนี้ถามกลางความเกิดความแก่ความตายโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะเสียเลือดเสียนือ้อเสียน้ำตาตายเกิดตายเกิดเนี่ยนะกระดูกกองท่วมใหญ่โตเนี่ยถามว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะจะเผาขนาดไหนเพราะว่าเงื่อนไขว่าคนที่จะเป็นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าคนนั้นต้องไม่เห็นยังไม่เห็นอริยสัจแต่เข้าใจอริยสัจแต่ไม่เห็นอริยสัจ เข้าใจว่ากฎเกณฑ์มันเป็นยังไงแต่ไม่บรรลุอริยสัจยังไม่เป็นพระโสดาบันไม่ใช่พระสกท า, าความมีไม่ใช่พระอนาคามีเป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องการตรัสรู้มีศรัทธานในอริยสัจแต่เกิดมาท่านไม่เคยเห็นอริยสัจแต่ท่านเข้าใจในหลักการของอริยสัจเพราะถ้าท่านเห็นอริยสัจมันชาติไม่เกินเจ็ดชาติใช่ไหมท่านจะต้องไม่เห็นอริยสัจเมื่อปิดตาตัวเองอยู่ตลอดเวลา แต่รู้นะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็เหมือนกับถูกติดตาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ถูกไฟคือชาติชารา ม, มรณาโสกกะปริเทวทุกโทมรัตอุปายาตเผาส้อนระอุไปทุกพบทุกชาติแล้วถามว่าท่านอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยสุภนิมิตกล่าวว่าอา ร, รมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอา ร, รมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคลื่องอา ร, รมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเต็มมากมายแล้วท่านยังสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย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 นีต่อไปททนนถ้ามีใครเกิดเหมือนกับว่าพูดคุยว่าโอ้ผู้ใดสา ม, มารถทะลุจั ก, กรวาลทั้งสิ้นที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้ไผ่หนาทึบรกรุงรังไปด้วยป่าน้ำและเถาวัลย์แล้วก้าวเลยไปถึงฝั่งได้ใครที่มีใจรักปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าพอได้ฟังอย่างนี้นะบอกไม่ทำหน้าเบ้เลยบอกเรานี่แหละจะแหวกเียว่าจะแหวกพุ่มไผ่หนาทึบถ้าใครที่เคยรู้จักกอไผ่ดีเนี่ยจะเข้าใจเลยนะ ไม่ใช่ว่าเดินบนยอดไผ่พาดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แต่แหวกโคนมันนะแหวกโคนแบบต้องตัดเลาะเอาทีละชิน้นทีละชิ้นค่อยๆออกแล้วแหวกกอไผ่นี่นะในห้องจั ก, กรวาลทั้งสิน้นคือถ้าถ้าไอ้กอไผ่นี่มันไม่เหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นนะถ้าตัดโคนปับลากได้เลยเช่นตัดวายด้ตัดวายตัดโคนปับลากได้เลยแต่ไอ้ไผ่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเอาออกทีละกิ่งเพราะมันเกี่ยวมันเกาะมันประสานกันมัน จะต้องเอาทีละชิ้นเอาออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นตัดไม่ดีนะมันดีดสาตาเนะี่ยจะต้องตัดที่มันโรคกรุงรังอย่างเงี้ยนะทะลุเทระวัดตัดเพื่อทะลุจั ก, กรวาลหรือว่าหรือถางรกชัดทั่วจักรวาลถามว่าอันนี้อุปมาเหมือนอะไรอะไรโลกนี้มันรกชัดไปด้วยอะไรสารพัดมิจฉาทิฐิที่อยู่ในโลกเพราะอุปาทานขันหา้าแปลว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิ อุปาทานที่มิจฉาทิฐิยึดครองมิจฉาทิฐิยึดถือในอุปาทานขันห้าท่านแต่ต้องแวกไหวทวนกระแสของมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดเวลาท่านให้ทานพวกมิจฉาทิฐิว่าทานมีผลไหมท่านต้องให้ทานในท่ามกลางพวกมิจฉาทิฐิบอกว่าทานไม่มีผลท่านต้องรักษาศีลในท่ามกลางมิจฉาทิถิบอกว่ารักษาศีลไว้ทาไม ท่านต้องเจริญสมถาวิปัสนาในท่ามกลางพวกมิจฉาทิฏฐิที่กำลังเพลดิดเพลินในวัตถุกรรมด้วยอำนาจกิเลสกรรมเนี่ยนะท่านต้องอบรมปัญญาตลอดเวลาในท่ามกลางหมู่สัตว์ที่เต็มไปด้วยโมหะท่านต้องภาคเพียรพยายามเรียกว่าแหวกวงล้อของมิจฉาทิฏฐิที่มันเกี่ยวมันรกมันชัดอยู่อย่างนั้นเน่ยตลอดระยะเวลาสีอสงไขยแสนกับคนที่สนับสนุนท่านเนี่ยนะอ่านดูในชาดกมีกี่เรื่อง ไม่ค่อยมีการสนับสนุนเมื่อทําเสร็จแล้วเออดีจริงๆดีจริงๆตอนเสร็จนะไอตอนทำเนี่ยโอ้ตะทวงแหลกเลยนะเป็นพระเวสสันดรเ น, นี่ยชาวบ้านตะทวงแหลกหมดไล่นี้ด้วยไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ตะท้วงธรรมดาไล่นี้ด้วยก็ใครก็พุทธสาวกในอนาคตะนะ่ยไร่อะนะจะช่วยเขาแท้แทยังถูกไล่อีกันาอ่ะนะถูกไล่เพราะอยากช่วยเขาอ่ะนะมันก็จะรู้ว่าดงของมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยมันมากมายโดยเฉพาะทิฏฐิหกสบสองเนี่ยนะ ไล่ไปทิศกสิบสอที่ขวางต่อการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะต้องแวกดงแห่งมิจฉาทิฐิเกิดมาชาติใดที่ไม่ประสบเจอมิจฉาทิฐิมีไหมมีพ่อเป็นมิจฉาทิฐิมีแม่เป็นมิจฉาทิฐิมีเพื่อนเป็นมิจฉาทิฐิเกิดมาได้ครูอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฐิคือว่าเดินไปกระทบบ่าคนมีมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เดินใกล้ยุงยุงก็ กาดแมลงก็กวรเป็นต้นนี้แล้วเกี่ยวข้องกับมิจฉาทิฏฐิล่ะเขาจะไม่เกลี้ย ก, กล่อมเราว่างหรือเพราะฉะนั้นท่านไปปฏิบัติผิดไม่ใช่น้อยชาติ